พระอารมณอย่างเราธรรมดารับเนีนยนเ่ยม่เคไปรู้มีตาทิพอยูยทอ่ทุกหยด โ, โมหูทิพย์อยู่หยดทุกโมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่านี้แมก็ทาแล้วไม่ได้สิถ้ า, าไมไมอภิญญาวิถีจิตจะต้องเกิดในขณะที่ออกจากสมาบัติเข้วถออธิษฐานแล้วถอสมาบัติแล้วออกแล้วเกิดในทันทีไอ้โว้โว์ทำสยาอืน่นสิไม่ได้ครับเพราะเหตุนั้นการที่มีท่าตวนหนึ่งตายไปเนี่ยพระองค์ก็ไม่รู้ต้องถามต้องถามพระอานนแต่เมื่อพระองค์อยากจะรู้ก็ต้องถอดสมาบัติทิศาให้เกิดชานเกิดลได้ เพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่แปกเขาจะมีข้อนะครับตามข้อแร่นนั้ก็ต้องถูข้หาเพราะวเคยทำปานามนบาไมากจนเป็นข้าวน้ำทางที่เขาตงกามองเห็นตัวตาตามนาามาติตามครับไม่เห็นนะครับท่านตำถ้าจะติดตามก็เลและวถาเพื่อติด้ามนี่ก็ไม่ได้ไปามเลยเขเลยต่อไปก็ เคยอานหนัขอพทาบอกหนึ่งว่าจำชื่อไม่ได้ว่าพระพุทธเจากก้าเราพระพุทธเจ้านิพพานแล้วแต่เบื่อและกาธนาล่วงแล้วไปห้าพนปีอยากมาเกิดอีกอยากมาเกิดอีนะครับตายได้หน่ทำไม ขาวาที่านแล้วลเวลาที่มัเกิดยัง ไ, ไม่ไมีดีนยวาพจะมานเกิดอีกไหมไ่ล้าว่าทาราอะไร่ามีแต่บอกว่าเมื่อสามน้างเขาพาพันลูกจะเกิดสลลจะเกิดมีกระสันยีไปทั่วโลกเขาพาพันปีนะเขาจะให้เวลาที่ยัอานาใจ ค, ค, คุณคประมาะะมรู้เินเราจะกลัวเาพันปีเมื่อหลายไหโลยินบอมบ์มนทั่วโลกเหมือนนะั้นแล้เปียอเมริกากินแดงใหโลยนฟาดกัน 5, นื้อเขันปีระวางนี่เป็นสองพันกว่าปีไม่เกิดแล้วครับแล้วก็ะมาณใจได้ มี่กระทำดีเกิดกระทั่งโลกเป็นจุนวิจุนแล้วก็เลือเดินมนุษย์โผล่มาจากใต้ดินเดินมนุษย์นี่ก็เข้ า, า, าเวัตมะตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันเวลานี้หลุมหลกไฮโดรเจนน่ะเขาขุดจนอยู่ในใต้ดินขุดกันมีออกซิเ็นไฮโดรเจนออกซีเจนกั้ไปในใต้ดินก็าหายใจทหารคคุณต้งลองไปอยู่ในหลุมเบลเบลเว่าจะอยู่ได้ไหมออกมาเป็นยังไงบ้างสาหรับปรมาลุกเพราะฉะนั้น5้าคปีคบแล้วลนยเดินตายพวกนี้โผล่มาจากดิน ลิปของประมาณูเป็นคิดตัวอากาศคนก็ร่างกายก็มีการเป็นแค่อินเตงอาหารก็อารยธรรมทางวัตถุถูกทําลายหมดมันสมองคนถูกคิดประมาณูทําให้เสริมลืมหมดความใจต่างๆกลาเป็นคนปา่าสมัยอนาฬยา์ตั้งต้นยุคถินใหม่แล้วก็ค่อยๆแยกแยกมาตามเป็นยุคเหล็กยุคทองแดงยุคอะไรต่มม า, างๆเรื่อนมาแล้ังเสริมอารยธรรมทางวัตถุเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นแล้ว ถึงตอนนั้นก็าสีอานถึงจะลงมาไม่รู้อีกทีโกตีก็ไม่รู้ไม่ใช่เขาฆ่าพนแล้วเขาสีอาลงมาไม่ใช่มีคคนเขาบอกว่าเขาฆาพทัวเป็นนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ที้องทำลายก่อนนะครับไม่ใช่ทาลายไม่ใช่ทำลายแต่เพียงว่าโลกโลกีมันมีอูแล้วนะครับเป็นปรมาณูเป็หยแล้วแล้วก็รางมาถึงจะมีรไม่ใช่ครัีห้าพีแล้วก็มีรัน์พนอ มีอีกข้อหนึงครับกมาหายาเลยเมื่อพอต่ออะไรครับเกิดขมหายาเกิดขึ้นเมื่อพ่อประมาณสประมาณสี่ห้าเราคิ่ัเได้มีทาตอนนี้ใครผู้ดจะหาหอหครับหมดแล้วครับามใหรบ่ถามว่าเกิดขึ้นมหายาเกิดขึ้นเมื่อพอต่อเข้าใจ อ่าเป็นูบัญญัตขึ้นผู้ที่บัญญักเน่หนาถ้าจะชี้ตัวบุคคลเด็กขาบใมไใไม่มีตัวมีแต่พระเทละหลายรูปช่วยกันเช่นพระมาภาริชนพระอตมโูรพระรัตุพันธุพระอาังรยคะท่านเหล่านี้ช่วยกันตั้งครับนีตัวใดจะหาปัญหาขอเดชะคือจร จับคนมันคืออะไรคือคือเป็นกระถาจเปนกระถานเป็นผมก็เป็นกระางันหนึ่งนก็เป็นกระถางอัน่ผมก็เป็นกรหนึ่งเป็นกระอ นี่ตั้ตอนที่สุดแล้วจะเป็นเป็นยาขันเย่ะเป็นตัวทุกข์ล่ะเป็นตัวทุกข์นะเป็นยาขัตัวทุกข์ตัวทุกข์กดขอุอยู่ในเป็นยาขันตัวทีกข์อยู่ในเป็นยาขันหมดเราแกวามทในใจอันนั้นรคุณอะากให้จมจติกความตั้ๆนอันนั้นคุณมาแยกเลงแใจอง่างใแต่ปรากวตรงกันอยู่กันันงหนึ่งก็เป็นยาขันด้วกันนั่นเป็นยาขันตอนนี้ตอนจะผ่านออย่ราบกเนี่ยเิือ ถ้าอ่ไทยมาอ่านี้ไม่ได้คุณจะไปถึงคุณจะมีบลเสียดจะใช่ม่าพูดไม่ได้อ่านมีมเสียนเทีคุณที่ผมแปลหรืเปล่าหรือายังไม่ถึงคุณเพราะอะไรใช่ไหมใช่ไม่พูดไม่ได้เราโอ้ขาวิทย์ไทยไปกระชากเราขาเอาข้าวเราไม่ใช่เราถ้ามีบนเสียดใกล้ๆเจอท่านตัวคุณเองท่านมีบลเสียดแล้วก็ถูกต้นน้ำคุณมันเป็นเพราะมันชุ่มสีปูนสักแล้วก็ไม่เป็นโสดนะ สายังไม่พริคนั้นาก็ต้องหูตอนลิ้นพันเป็นําทีดับปุ๊บคนั้นพอแล้วพอไม่ดับปุ๊บก็ได้พอใช้ดูว่าพอาววันที่มาเลยเอ้ยสีดัแล้วจะไงแล้วคุณไม่ตอบมาเดี๋ยวเขาเรียกว่คุณยืนพริ้นคแล้วเรื่องร้นคำก็เป็นเือปรามาตรต่างๆนะครับถึงแม้เราพูดตรงไปตรงมาทีเดียพูดที่มีความต้องกาใจ ก็ต้องอาไัยผู้แบบร้องเข้าไเท่าที่ผูกฟางมีที่ตามอย่านี่คําถามต่อคําคำถามหนึ่งนะครับคนที่รู้อีเข้าใจในงานทำดีแต่ถก็รู้ดีผู้เด็กตาเออใช่ไและเอาผู้ที่รู้มากทำมาได้ท้าดูมินผู้ไม่กษาต้องคปามตัวเองเป็นเหตุ้คนทั่วไปเกิดขึ้ก็ถ้าเป็นเหตุจะเป็นเหตุนี้ก็มา พวกความคิแต่ว่าพระธรรมเป็นคนคืออย่างนี้ครับพวกเรารู้ว่าพิธาแล้วก็เกิดความพอรนลงในความรู้ว่าแม้เรารู้มากไปสนธนากายพวกนี้ก็ไม่ขึ้นมปถึงเราอธิบายธรรมะผิดผิดฉุกฉุกยกสภาวะผิดผิแม้แต่คํามาทำมาโลมเนี่ยตอบภูมิยกตัวเองแล้วอธิบายทำมาโลมนี้ไม่ถูกเลยใช่ไหมได้ไอความดูหมิ่นดูแคลนมันก็เกิดตามสายของมิจฉุนถิ่นไม่กว่าตหนหรรู้มากอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งครับแตไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนหนึ่งตอนนี้คนที่ไม่ชอบพิธามก็มีอีกประเภทที่ว่าเห็นว่าพิธามมัน มนี่ยมือโอกาสศึกษาอยากจะเป็นนักปราชญ์อารกนิ่กาอภิธรรมหรือก็อยา่างเลยตรงใจแม้ว่ามันจะทู้ตะคดไม่ต้องศึกษาเราสบายใจนี่อย่างหนึง่งอีกอย่างแรกคนขั้นนักปราชญ์จะลบตัวไปศึกษาอภิธรรมหรือจะเสียภูมินักปราชญ์ตเพราะเขายกย่องตัวเป็นปราชญ์แล้วปราชญ์เป็นาชขนาแล้วไอการศึกษาอภิธรรมเนี่ยศึกษาไปตัวเองไม่ได้เราองไม่รู้ต้องเอาไปจากคู่มาอาจจะอธิบายด้วยนี่เพราะไอความคุ้มลุ้ลึกมันมีจะไปเที่ยวถามใครใคร จะตีกลุ่มนักษันหมัวเลยเมาูนเบมบอกไม่บอกเลฟ้าเลยให้ไม่ด่ากินประเภทสองประเภท3ประเภทได้แก่ประเภทที่เป็นนะักเรียนลูกติศาสตร์นักประวัติศาสตร์พวกนี้เรียนตามหลักวิรูกติศาสตร์มิยามดีลาฝอยคําบาลีในคําิลปอภิธรรมอิดอกเทียกับประสูตรมากเห็นฝอยคำในอภิธรรน่ะให ม, ามา่เกินกว่าในประสูตรก็มีแล้วก็ตามข้อควาเป็นมาทางประวัติศาสตร์ก่อนแสดงเห็นว่าอภิธรรมน่ะเป็นการแต่งรวบรวมในภาษาโุกุลหลางก็มี พวกนี้ก็ปฏิบัติธรรมไปก็มีสพวกนี้คับอาผมขอขสนอขอเสนที่สานี้ที่ว่าผู้ที่ศึกษาพระแล้วก็ไปทำตามขทในในทางขัตตลิขก็อาจเป็นบางแต่พวกเองก็้รับเพราะว่าเระยาท้งที่ตัองแล้วเขาก็ได้รับเพื่อนราสารเชื่ีมาก พเา้ออาต่ที่านนี่มันแบบที่นั่นเม้ดนมาาาบอกว่าว่าว่นก็ู้มีอธตมานะนี้า่อยากอคไแต่ประโยชละอย่าาเาวเลยนักศึกษา็พต่อพว่ารงนั้นในนีครับผมก็เปคุยัาน ก็มีิ่งมากกายในกศึกษาการทําแล้วไปทํบงานไปรับการส่งโปรยคนอื่แต่ว่าก็มีคนมากที่มีความปัดขานต่อพระแล้ต่อธระว่าล้ต่อคนอื่นๆอยากจะให้ข้าวยายต้องก็บควาเห็นที่เขาไปแสดงตลอดจนกะท่านเอาธรรมต่อไปวางรงไหนันีหลานหรอ่อยากจะเปลี่ยนอ่าโอ้่วยความตัดขา แล้วก็ผู้อื่นก็เห็นว่ามาทำทำายที่ลบด้าความความเหมือนเดิมของเขาก็คิดว่าส่วนี้ก็มสจุนมากกั้นการท่องรกเรื่องนงนี่ครับของผมวาพอมากผู้เรียนทราบที่ทเข้าใจแล้วไม่มีนอยใจเลยท่องอดเขาจะเก่งมากนะครับผเลยก็เหมือนกันคืออะไรนะคือว่าไปไปเห็นีนีนภาคที่เห็นไม่ผูก หลักการขระมว่าจายจาดียกอเรามักจะไปคอยเดิแ่เขาซึ่งตอนที่ผมเรียนใหม่ผมก็รับความจรริงรงเยรู้ว่าถือมาแล้วก็บนี้นี่ราเก้นะครับแต่ผู้ที่รับเนี่ยอาจจะคนใจสิ่งแปเกยกสานียเี่ยความความเห็นไม่ถึ่องเป็นว่ามีผู้าาว่าเนี่ยอาจารย์ั้ผมไม่ได้ ผมบอกวาไปนะใครได้ก็ได้ใครเอาไปเนี่แหลก็ ว้มคนมาเลวนพาอยู่ได้ิวามอย่ได้ิะงไงยังไงเล่าไปผมไม่ได้ขัดพอสั้อควยเฉยๆใจผมก็บอกว่าดีนับบก้บอกนี้แต่พําจไม่าครับต้องทัยาก็ไมรู้จทําันี่นะครับดยเหตุที่ผ้ศึก่านทำามฐาะี่อากจะแก้ความผิดอของอาากไปหรอเราว่าจะเป็นเหตุใหู้ เพราะนั้นก็เป็นตัวอย <Yeah. S 1> ่างที่องค์ป่าบอกไปว่าเรามีมีตาเขาก็ยกอันนี้ขึ้นมาอันหนว่าในอันที่านที่มีพระบาทเป็นะาร์แสดงไว้ว่าผู้ใดไม่ได้ศึดษาผ้าขันามผู้ประจานธรรมไม่ได้ติดตาผ้าขันทามผู้นั้นพิจชื่อว่าผู้ใดไม่ได้ผู้ประจานธรรมคนใดไม่ได้ศิดษาผ้าขันทามผู้นั้นไม่ได้ มันคือว่าเป็นผต้เป็นพาไรไม่ได้เูอนต่อไปครับว่าเป็นพาลที่สูงขั้นขั้นไม่ใช่้พิทัอาจจะเป็นอาจจะเห็นควรถึงเวลาพุทธศาสนาเสื่อมเมือก่อนเป็นอย่างนี้หรือไม่คือเวลาที่ถูกขั้นขั้ไมใ้ทกษ์แล้วเะเละนบ้อะไรกันบ้วก็เรืองพุทพิทัพิทักษเยเป็นเป็นเรื่อทธศาสนาเสื่อหไม่ ตอ่อไปกเสืออภิธรรมิโดกเติมก่อนเนี่ยปัปันจะอันตรธานเวลาสัตมะอันตรธานทำระบบไว้ทีเดียวเวลาถ้าทาจะเติมนะอภิธรรมิโดกเติมก่อนทีเดียวข้อนี้ก็เห็นได้ชัดเพว่าอภิธรรมะเรียนยากตุวขุมลุ่มลึกมากคนเดียวนี่ชอบทั้ทงวัดฝึกมากๆเอาอะไรไปเรียนโปแลเรียนรักเพราะฉะนั้นไอปีวิตอะไรยากยาที่จะต้องจํากรงมากๆใช้เวลาเรียนมากๆแล้วไม่ชอคนก็ปล่อยปละละเลยไม่เคยเรียนกัน อันนี้ก็หนักไปได้แม้วงการศึกษาของท่าเราก็ยังทอดทิ้งในการที่จะหาความเข้าใจในพระปริยัติธรรมเบื้องสูงของพระอภิธรรมพิดกเนี่ยนะเดี๋ยอดทิ้งไปอันนี้เราก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นไปคารุษหาที่มีส่วนสำหับสนุนในการศึกษาอภิธรรมเนี่ยดึงกว่าเห็นวอาควรเรียนช่วยกันสำหับสมุนให้แย่หลายปออกมาถ้ายิ่งแค่ห้ายมากเท่าไหร่ความเข้าใจของเราในธรรมะก็มั่นคงใครจะมาล่าสมองเราไม่ได้อภิธรรมพิดกเนี่ยเป็นกระแสต่อฟันรับที่พระปุริยมดีนัก คนที่สุดทาไ่ทให้โดแตกแล้วนาทีก็สุดนิยมมาล้าสมองทำอะไรไม่ได้เลยสะโพกหน่อยอเคความเห็นที่ไม่ใช่เรื่องหลัาธารับเป็นหามที่พูดถามว่าเมื่อมีการแสดงความข้าออกมาหลายสายว่าถ้าไมทําเงี้ยมันไที่หลังรกรอกไเนแล้วว่าปัญหานั้มีความเหตรงนะผมว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้ตัสินาแต่เอป ในสมัน the so ้ว่าคะอะไรครับว่าว่าใรเวลานี้แม้ว่าจะใจใจญ่กม่ต่างกไดว่าอย่งไรนะคนก็จะมีเรื่องอยางน้ว้ามยางไจะดูจะดูแต่ผลหลัา้องมีของพายาให้ป็นชาคนนั้นได้มีความคิดความอ่านเพื่อความจะรู้ให้เห็นคือจะางผมว่าถ้าทะเละการจ่าการการหรือว่าอะไรอย่นบใช่ ทำให้โครงการเราทะลาัในน้นทห้ต <water> <iba> ่งคสีาแต่ความสีความหที่แม่ต่อรองอและมีผู้ขัดขาที่มากท่งนเมาน่ตาหดถเาอากมา่ยขอบาจ้าจต้อตองไก่อนคนบ้มีอีกคนไปไปมาเลยถอวาเปเรที่แล้วมือด้วยผมไปรายงานรัฐบาลแล้ทุกชาและตตนนี้ อย่างที่อาจารย์ว่าการี่ไปเป็นยาเทำเมื่อก่อนี้าศัตรูกระจายยอเปาเนี้ยังว่าไหนจังว่าไหนัู้่นทมาันงแต่ก่อน้าพเาทำโดยท่บว่าการใี้ยาที่เป็นยายาใดนะเป็นการทขให้ความรู้สึกีแต่ถ้าเราสลับยาลับขอแย่ยาพอกันนะครัท่านอต่ส่วนที่บอกว่าถ้าเตือนถ้าทาเตือนก่อนนั้นต เพราะว่าข้าุทธานั้นเป็นหลักฐานที่ยนมากผู้แต่ใข้อความอานต้อทําความสังใจอย่างจริอาต้องอ่านานไม่ต้องอานได้ในไม่กี่เรที่ถ้าภุทธานั้นโดดเด่นยแล้วที่โดดข้าพทานีเกี่ยวเรืนี้ทั้ลายไม่ได้กว่าข้าพุทางี้ทำกำลังแพร่กระจายอย่างื่ของเรามิตำหมื่นแสนเลยเสียดาแต่แล้วตอนี้ที่ข้าพุทธาบอกตรน ยราทำาำนี้ิไม่ต่ำเลยแทนนี่จะออกมาได้นะครับจานวนมากแต่ลิ้ตก็เราฉะนั่นีผมขอคเกตรวันี้เพารครับมประมาณทุนในาจจถากรดง้เห็นว่าสองพัน้ารนั้นเขาก็าวเท่าน่าจะเพิ่ม้นคุกว่ามีได้ไม่มีนะเพราะวะไหนบ้างอะไม่มีเลยไม่้ป่นไม่มีธนาคาม่ีว่าไม่ได้ไร้หน้าไร้ไหที่มีผู้อรอบผู้ปัดมินจะเจริญ เปนความเชื่องท่ารางกาสุมหนแล้วก็พระไทายก็เอาจาที่ป่าพลังกามาพูดพระมาณนี้อ่อาตระาดีกาคำทีเล่นไห้ไม่มีะตะกเล่นไมไม่มี เ, เส้ลลอง้ที่ตัดม้ จ, จะเจริญหนึ่งครับแต่ว่าพังกาพูดชื่อแว่าจะจอย่างนั้นได้มีกดงถึงศาสนาตั้งแต่ต้นจนระทั่บิ่ครับีอันนี้อาตพาดไปห่นะฮ ะ, ะเพคเ่เมื่อานแล้วแล้วพระทายที่ันพูดถึงเรื่อง สองคำถามว่าทีสุดว่าจะเจริญอ่ะมึงไคยเป็นศูนย์กลางถ้าพะลุวันนี้ก็ท่านก็สุดไปแล้วท่านไม่รูปแรกที่พูกอย่างนี้ท่านก็สุดไปแล้วนี่ท่านชื่อท่นอย่างนี้ท่านก็สุดไปแล้วต่อไปถามต่อที่ข้อเลยนะครับเพราะว่าเวลาต่ใกล้จะถึงแล้วถามข้อนี้อยากทราบว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นการพรรษาองค์หลวงท่านางนะเป็นเวลาอันับเป็นเวลา3าเดือนนน หมายถึงสเดือนในมนุษย์หร uh ือสเดือนในสวรรค์นแน่เดือนในมนุษย์ครับสเดือนในมนุษย์ครับมเดือนในมนุษย์จะนับเวลาในสวรรค์เป็นเวลาต่อแคเดียวเวลานึงแคบเดียวเานะวกที่งเอาตง ซึ่งเวลาที่เป็นโมดิท่านผู้รู้ทอได้ยังไม่ได้ตอกมาครับถ้าองค์ปัสสกว่าและท่านทั้งหลายนี่จะต่อการผระมุขที่ประทับก็ได้ข้าพาขอามดีอาเราไม่ไครับเชว่าเน ว่าเรามถามบางมันครับถ้่เราถามว่าในธรรมะใหญ่ของพะพทธละดูที่พระธรรมคุณเราที่จะเจ้าเป็นเานาแต่อาจจว่าดีนั้นอัญญาคนยักษ์ในผู้สมเด็จเปคนแรกแล้วพระธารมคุณเจ้าก็รับว่าอัญญาคนยักษ์ที่รู้แล้วนะครับท่านถามว่าตัวท่านเองรู้ไหมแต่นะตัวเจ้าไมารู้หรอไม่รู้ครับท่านรู้ตัวอรรู้ก่อรู้แค่ไห รู้พร้อมกัเจ้าดีกว่าพร้อมัน่รู้ก่อนรู้พ้อมกันพอพอที่เห็นท่านอัญญาโกศัญญาขาดมุกจนตายพระเจ้าก็อัญญาวิรู้พู้อมกันขุกคนกรู้ด้วยพระเจ้ากรัด้วยพร้อมกันไม่ก่อนไมหลังท่านจจะมีฤกษ์รดานะครับผมว่าม่านุณนายมีพระเอกตคอขอเจอวันพร่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้ที่สำหนักสมเด็จวรมหาปาชญผมจะไปแปลปาสกถาของท่านกมณะมาจากไพเซรูปหนึ่ง เพราะฉะนประกาศให้ท่านผู้ฟัง ท, ทาด้วยถ้ามีโอกาสก็ราบีนอตำแหน่งตำแหน่งมหาภาพอาเซียภาคะอกงเาใาขอล้จจรู้รรู้้รู้รรู้รู้ใจ้้จรใใ้ร้้รร ภาคอื่นยกให้กับขาหาทานนะถึงภา่เป็นทหารไม่ไ้ทานนอำนาจ้แสดงว่าเสจรามเสด็จข้ามาถือรู้แต่ว่าถือคารมัทธวะเรื่องนี้นะผมไปแสดงปาสกถาพิเศษสี่วันหาทานมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเรื่องเรื่องตัวรัมัทธวะเมื่อท่านผู้ถามมาถามตั้มในที่นี้ก็อยากจะเล่าอธิบายสั้นๆถือคารมัทธวะในที่นี้นะสรุปแล้วเนะผมอยากจะเชื่อว่าไป็นตัวแปลว่าเนื้อหมูอ่อหรอก แต่เป็นยาขนานหนึ่งเป็นยาที่นาจินทะสมมาระบุนักปรุงพิเศษตั้งใจจะถวายเป็นพระโอรสบังบัดพระรูปของพ ร, ระบรมธาตุดาอัตระข า, าก็ได้ให้นายยะไว้ตัง้งมติในสุมังคราเวลาที่มีให้สามนายยะมติในปรมัติปณีให้ห้านายยะทั้งหมดนี่ก็สรุปว่านวหนึ่งยยะที่ห้าเนี่ยหนึ่งแปลว่าเมือหมูแปลทำับเมื่อหูอ่อนหูกระราบวกมัดวัมัดขวัแปลว่าอ่อนอ่อนโยน มัทวามัทวาส อ, อนโยนกูกระหมดมัทวาสแปลว่าเนื้ออ่อนเนื้อหมูอ่อนที่แปลตามจับใจอย่างกำลังตั้งคุกดินเลยผูกเข่งตามจับเป็นยังไงอีกมายากหนึ่งมาตะกาาั่วฉันว่าได้แก่เห็ดช น, นิดหนึ่งที่หมูชอบอีกมายาหนึ่งแปลว่าได้แก่ยาที่ปรุงตามคำภีระสาเยนเวกยาที่ปรุงตามคำภีระสาเยนเวกของปลานี่อีกมายาหนึ่ง อีกมนยะหนึ่งท่านหมายความว่าเป็นอาหารพิเศษที่ปรุงด้วยเดนจโครสหูงเด่นน้ำนมเป็นข้าวชนิดหนึ่งที่ปรุงอย่างอกอร่อยแล้วก็หูงเด่นน้ำนมโคโบอิตุนี่น่ากินมากเลยค่ะอย่างนี้ก็ตอ อ, อร่อยมากอย่างคล้ายๆพระพุเ้าทนั่งุชารดอยนันแหละําลอง น, น, นั่ง น, นี่อีกชนิดหนึ่งท่านว่าได้แต่พืชช น, นิดหนึ่งพืชอากหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นี่ าสรุปแล้วหมกระพับวะเนี่ยหนึ่งไม่น่าจะเป็นเนื้อหมูอ่อนถ้าเป็นเนื้อหมูอ่อนแล้วทำไมจะเป็นพิษกับพระโลู้ติดยาถ้าเขาว่าเป็นพิษเป็นของสแสลงกับพระโลกถ้าอื่นก็ไม่สแสลงเลยนะถ้าได้ท่าอื่นิดตาดูมาพระองค์เอาไปฝังให้ในายจุนทปป่าไปฝังทาไม่ถ้าบาาอกว่าอ๋อเนื้อพว่าเนื้อหมูนั่นน่ะเป็นเนื้อหมูที่ไม่ดีเนื้อหมูที่มีโรคเนื้อหมูมู่จะตินายจุนทาหน่ะจะเลี้ยงท่า ถ้าโคไมย่หจนอะไ ร, รลูกม่ข่าพองเอาับรยในเมืองปาวาจะเลี้ยงข้าข้างขไปซื้อเนื้อหมูมาแกงถวายข้าได้หรือจะเตรียมขาชนย่าโคชน ย, ย่ตลอดคืนยังลูกเพราะข้าจุนมากจะมาฉันตอนเช้าคืนไม่ต้เงในหเป็นเต็มหน่อยเป็นคนเข้าครัวคุมการจูงอาหารเองเสร็จพอทำเสร็จพอดีย่างลูมได้เริได้สวา่างพอดีก็โง่คในภูาราธนาพระองค์มาพร้อมกับพิสุของสารมาทีเดียวจะไปซื้อเนื้อหมูหมูมาแกงถวายพ้าอย่างไรเป็นไปไม่ด เมื่อเป็นไปไม่ได้แล้วจะปอกมาทังอาหารที่หูนี่เป็นจะโคตรยังงั้นหรืออาหอย่างนั้นยิ่งย่อยง่ายยิ่งกระร่อยใหญ่ไม่น่าจะไปฟังไปไปไปทำลายซะเลยเพระองค์ฉันไม่ได้องค์อื่นไม่ฉันได้นี่นะจะแปลว่าเห็ดหรือเห็ดเท่าที่แปลว่าเห็ดเป็นในยะนี้เพาปัจจุบันนี้มีหมูหมูหมูป่านะหมูหมูชนิดหนึ่งเห็ดชนิดนนอินเดีย่ะเกิดใต้ดินแล้วคนนี่จะไปหาเห็ดสิ่ะต้องจุหมูไปหมูมันลูกว่าเห็ดชนิดนี้น่ะมันอยู่ที่ไหน เพามันไม่เจอพี่ดีนปูนนั่นที่มีเห็ดอยู่แล้วก็มันเะใข่เี่ยวอมันน่ะขุดขุดขุคนก็รู้ทีเดียวอ๋อใต้ดินนี้มีเห็ดชนิดนี้อยู่เขาก็ขุดเอาเห็ดนี้เอามากินยังนี้ในอินเดียยังใช้หมูชนิมีเป็นมักขึ้นเผ็นไปขุดเผ็ดก็ยังมีอยู่หมูมันพอเพราะฉะนั้นทายาที่เข้าทีผ้าเข้าทีแล้วห็ดชนิดนี้เป็นพิศกับพระองค์ก็ไม่น่าจะเป็นพิศกับพระที่ยังมีทุขภาพดีติดตาเ็ดเอาไปทําอะไร รูป ก, การก็จะบ่งว่าไม่น่าจะเป็นท้างเห็ดทั้งเนื้อหมูอะไรทั้งนั้นแหะขขาเป็นยะโครนเลยไม่น่าจะเป็นแล้วมันน่าจะเป็นยาไปแล้วยายาซึ่งปรุงตามรัศยานเวทของขามในจุงคภมีเกตนาต้องการถวายเป็นพระอสุศนมุงพระลักําณ์ลังของภาภาพระสาตดาดแล้วก็หงุดหงิดธรรมดาการปรุงยาตามแผนโบราณ น, น่ะเขามีการคูนธาตุนะเช่นว่า ตำราคุณท่านเราก็มาจากอินเดียเกันตำราแพทย์ศาสตร์คณะโบราณเราเนี่ยคูเดิมเป็นแสกนะเขาจากอินเดียนั้นรับมาเลยอ่ะอามีตำราคุณท่าครูทานไทยนกไทบอลเขามีหมู่บุ้คุณหันคุณหันเสร็จแล้วขาเข้ารื่องสมุนไพรให้เหมาะสหรับตลกนะก็ไม่ยากนไม่หมอรักเพราะห่วงรอเขเป็นบุ้คนอื่นสิที่อื่นาจะหูจะเป็นทางตราเขคุณืนที่แพทยสุขภาพินเดียไม่ได้เป็นโรคอย่างพวกงเป็นฉันกับใก็จะเกิดเรื่อง แกวิตามินเนี่ยวิตามินทุวันนี้นะครับยาบารุงเขากินมากเกิดวิตามินเป็นทิ้งแค่วิตามินเข้าโรงียบาลก็มีนี่ม่ใช่ว่ายาบงรุงไม่ควจะกินได้ทุกขนาดทุกคนเลยเสมอไปทุกที่ทุกหวันก็เปล่านี่นะครับยานี้ในคุณภาพรุงปุงเป็นโอสดขนาดพิเศษเรียกว่าสูตรกัวัฒน์ทไมถึงเรียกว่าูรัลวไม่แปลกเลยชื่อยาโบราณที่เป็นแปลกจักรวาลฟาค่เนี่ือยาทำไมไม่รู้เราเป็นจักรวาลฟ้าค่อัจเนกับด้ย จ ะ, จะตัวอะไรจะตัวพักอาเป่งขึ้นฉันไม่อยาที่ไหนมีหน้าสีหนาก็ใช่คือเขาตั้งไว้หลู้หลูหรืออย่างยาที่บอกน้นมราชสีถ้าไอ้ไม่ไหวจะต้องไปบีบจับนางว่าจะนางสิงตัวมาเป็นยาแล้วก็แย่หาที่ไหนในเมืองไทยก็ไม่เจอนอกจากให้เขาดีมือจะเป็นกกโกฮูดูเมียไม่ใช่ยาน้ำนมราชสีเนี่ยไม้เป็นต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ว่าน้ำนมราชสี เอาไว้ต mà, ั ô ้งแต่คู่หญิงที่เขาอยู่ไฟกินบำรุงให้มีนมให้อารมณ์เดมเป็นาบลรุงกำลงกหญิแม่กอ่อนเรียกวต้นน้ำนมราชสีเจ้าคเนะลุงจับดีล่างเจ้าคเายาใกางลงจับีหมดเอ็ต้นน้ำนมราชสีหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่อย่างนนื่องไปบีบจน้นมแม่ถึงโตมาไม่ไดยาขนาดนี้ก็ชืว่าสูตรธรวะโดยนายาเช่นเดียวกันรุงขึ้นถวายเป็นพุทธโอสถ แล้วพี่พเห็นพระพุทธเจ้าทรงอาปากำเริบเนี่ยไม่กเกิดกมลเพราะยาในจึงท่าแล้วนะกำเริบเพราะเหตที่มันจะกำเริบของโลกเองเป็นไปเองหลังจากตัวยหูตะลุมัตพระไหกินท่าแล้วพระองค์มีพร ะ, ะกำลังพระเดชพุทธลีราไปจับคำทีิกุตินาราได้ด้วยอาศัยดามือนี้แหละแล้วเาต้งให้ไปฟังเสียนะเพาเห็นว่ายาขนาดนี้ไม่เป็นประโยชน์กับพิสุองคอื่ น, นต่อไปแล้วพระองค์ถึไม่ได้ป่วยไข้พระองค์ป่วยนี่ใช่ไหา ข้นตาไว้เดี๋ยวคนพวกคนข้างหลังไม่รู้นะ ว, ว่าไอ้ยาฉันนั้นนี่ผู้ที่เจ้าทานเคยฉันเราเอาบ้างที่กินกันไเดี๋ยวเกิดเรื่องก็มีคุณค่า้าไปหนักเบ า, าเหมือนกันถ้าอ่อนถ้าเบ า, าคือเขินกินกันไปเป็นยาบงมันจะเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะถ้านท้าวว่าถามดีแล้วเป็นเหตุให้ได้ความเอ้าใจกันก็ทีว่าถูกระวัตวานไม่ใช่เนื้อหมูอ่อนแต่เป็นยาครับ เขาไม่ได้บอกคุณบอกว่าล่อแต่เราขาแล้วยังไม่มีเทวดาอินทม์คนใดจะสุินยากินกินอาหารนีล้าย่อยได้แบบอย่างนี้อันนี้จะเป็นอีเดียลเป็นสํานวนสํานวอย่างนี้มีบ่อยจีเดียมีบ่อยแต่เป็นอีเดียลกว่ายาแต่พูดง่ายๆถ้าจะพูดอย่างภาษาปัจจุบันก็บอกว่ายาถนานี่เหมาะสหรับเราเพียงคนเดียวหรอกนะมันเหมาะกับโลกของเราพรผธาตแสตทาบของเราผู้อื่นนั่นไม่เหมาะเราก็ขึ้นเครื่องไปจะไม่ย่อจะเป็นขี้แปลกว่าว่อย่างนี้ แต่โบราณคู่ไสักหน่อยว่าไม่มีเทวทูอินทร์คมมณฑายธรรมคนใดจะินอาาได้ยอดได้บอกอย่างนั้นขวขอะไรพอมาห้าร้อ่าวีจะพอมาห้าร้อยเนีมันอก่างไรเขาบอกอะไรเขาตกไปแต่ข้อห้อเคุณอย่าถือตามตัวในครัในหนังสือศีลที่เาว เจ้าตัวทาดีนะครับหาบาเจ้าตออกมาต้องอมามาทำารอยตัวตายประมาณตั้งห้นี่เป็นสัพอเมริกาทั้งขยะห้าร้อยปดามา่นสี่พันแนกรดเป็นอเมระกาทั้งขยะอย่าไปถือตำตูตเล่ถ้าไปถือตำตูเล่แล้วก็ปู ป, ปั่นหมดเลยครับเหมือนงยังอย่างเราเมื่อนี้พูดกันเนี่ยมากมายสูงถ้าภูเขาราวกาเนี่ยคนนี้มาก ม, นนามายเหมือนน้ามหาสมุทรเราเลยไม่ต้อจริงคน ม, า ม, ามันหลัมาเหม้อนน้ามาหาสมุทรเป็นไปยังไงได้มไม่ได้ เป็นจำนวนที่คงโบราพวกันเขาขาสนใจดีแต่คนปัจจุบันมันหากันตั้งสองพันกว่าปีฟังแล้วไม่ว่าจะต้องเป็น500อจริงๆไม่จำเป็นนะครับถามว่าถ้าอภิภัณฑ์าใครโดดที่อากเป็เศรษฐีรุ่นใหม่ใครไม่รุนใหมก็ทําหารนั้นแล้วก็มีถ้าเขาทำดีสองพันก็ทำาหารนั้น นี่มนุมย์ท่านไปอ่านในคำพีอัตถายมีกับคพีสัมโมหะมิโนธนีและคำพีสัมมนตัสาษาติการัตกรถาปินัยและคำพีสุมังคละวีาสิหนึ่ซิอัตกรถาติกริกายทั้งหมดนี้มีเป็นภาษาไทยแล้วแต่ในงานถวายพระพุทธเจ้าพระเกระนิ่มนุษย์นะครับมีแต่นบอกว่าที่ทางกถามีบอกว่าทนรดา หมาคนอื่นแต่ในที่ไม่รู้สิในที่นึกว่าเป็นยาบำรุงกำลังกาลังแล้วก็ทับมาเยอะๆตรี่มายอะไม่ได้เตรียมคุไม่เหมาะเยพระพระุ้านะเล่าเตรียมไม่เป็นหมาะใหญ่ที่เดียและเป็นยาข่าในทั่วทัอาหารทุกลูกในที่นั่งเลยทีเดียแต่พระเจ้าเห็นว่ายาที่เป็นยาที่ชุงมพิเศษเข้าตัวยาที่เหมะกัคเรอื่นแล้วกนอืไม่ควรจึงห้ามในทีนังไว้เท่านั้นเองปาาหรือไม่ใช่คำจริงตรงนี้ว่าถุนั้นเป็นธรรมพิธรรมประการหนึ่งในจานวนเจ็บประการเดวยกัน ส่วนมากพุทธ บ, บริษัทในเมืองไทยเราหรือแม้แต่ในเมืองพม่า ก, ก็ตามเถอะศึกษาแต่อภิธรรมหกประกรประกรณ์ที่เจ็อย่างคาถาวัตถุเนี่ยโดยมากมักจะมองข้ามไม่ได้ศึกษาอันที่จริงคาถาวัตถุนั้นเป็นประการที่สำคัญมากทําให้เราสามารถแยกแยะว่าอันไหนเป็นมติใ น, นกายเทโลวาอันไหนเป็นมติของต่างกายนอกเนื้อไปจากเทโลวะเมื่อศึกษาคำทีคาถาวัตถุแล้ว เราก็จะไม่มีความรู้ในการเปรียบเทียบ ว, วาทะของนานามัติในข้างกันนั่นได้แต่งคัำพิจารวัตถุคือท่านพระโมคคีบุตรติสสะอรหันเจ้าสร้างรถถึงความแตกแยกทางทิศขีของบรรดาพระภิกษุสงฆ์ในข้างนั้นแบ่งแยกทิศขีออกเป็น18ทิศขีเดีกันเรียกในภาษาบาลีว่าอัถารสวาทะวาทะที่แตกต่างกัน18วาทะทั้ง18ดวาทะนี้ มีข้อความเห็นขัดแย้งกันในทางธรรมะในเรื่องจิตในเรื่องเจตสิกในเรื่องรูปในเรื่องมีทานในเรื่องปฏิบัติธรรมมีความแตกแยกกันบ่ไปหมดแล้วแต่ละวาระหรือแต่ละนิกายก็มีตระไตรปโฎกของตัวเองบางวาระบางนิกายก็ปฏิเสธอภิธรรมว่าอภิธรรมไม่จะพุทธพจน์วาระที่ปฏิเสธอภิธรรมไม่จะพุทธพจน์นั้นคือนิกายเตวาต ร, รานิกกวะ หรือเรียกกันว่านิการสุตวารีที่ถือว่าพระสุท่านนั้นตีเป็นพุทจพจน์พระสุทเทวินัยท่างนั้นที่เป็นพุทจะพจน์นนภอภิธรรมเป็นเรื่องที่อาจารย์ชั้นหลังแต่งขึ้นแม่ขึ้นมาว่าอย่างนั้นเพทีนี้นิการนิจิงปฏิเสธอภิธรรมโดยสิ่นเชิงเลยถ้าท่านได้ฟังมรติของบางท่านในประเทศไทยปัจจุบันนี้ที่ปฏิเสธอภิธรรมเป็นผู้จพจน์ไม่เป็นพุทจพจน์นั้นถ้าหากว่าท่านได้ศึกษาคำพิจารณาว่าถุแล้วไม่น่าอัศจรรย์เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าเขาทํากันมาตั้งแต่ศแล้ว มติในสังฆมูลชนได้แตกแยกเป็นหลายพวกหลายเหล่าบางพวกบางเหล่าก็ยกย่องว่าอภิธรรมไม่ผิพุทธะแคร์ใครปฏิเสธอภิธรรมว่าไม่ผิดพุทธะ พ, พูดนั้นต้องลงนรกโล ก, กันไปเลยทีเดียวพวกเนี่ยที่พูดนี้ก็ปฏิเสธว่าอภิธรรมไม่ผิพุทธะเป็นได้อย่างมากก็เป็นเพียงแต่สาวกกาพสิทธิเป็นมาติของสาวกเนี่ยแครอยู่ในพระสูตรกับพระวินยัยพวกก็บอก ว, ว่าถ้าไม่ศรรมึกษาพระอภิธรรมแล้วเป็นไม่ได้มรรคผลผานนักคผลผ่ า, านที่แคร์ยังไงพระอภิธรรม ทิ้งข้าพิธามแล้วรู้แค่ประสูตรแก ไ, ไปลี้พานไมหรอดเพรากับพิธามด้วยนี่ก็ได้แต่นีก่กายภาษาบาลีในคำภี่ว่าสาถาวัตถุว่านิกายสัพทติกวาทะเรียกเป็นภาษาสันสกฤตว่าสลาวาปติวาทะนิกายนี้บางครัง้งในเรียกสลาวาติวาเรียกว่านิกายอ้พิธรมเพราะมีเจตนารมณ์ต้องการเผยแผ่ข้ิธรมอย่างเดียวไม่เผยแผ่ปีดุจื่นปี่ดุจื่นนมาเป็นลำดับสองมาเป็นลำดับแรกคืออภิธรรม นกายนี่ดีกว่านิกายอภิธรรมหรืออภิธรรมวาระกขาเรียกชื่อจริงในบาลีดี ก, กว่าสัพพิตกวาระเป็นสาขาของนิกายเถรวาทมีอภิธรรมพิเดต่างหากนะไม่ฟั่นกระบอกเถรวาท น, นะทั้กันมีเจตประการั้งกันแต่แต่งเป็นภาษาภาษาอกฤเอ่อว่าอภิธรรมอภิธรรมมาตการะปาตาสะศาสร์เล่มหนึ่งธรรมะปฏญาปปติปาตาาสตเล่มหนึ่งแล้วก็อภิธรรมาตุกายาปาตาาสตรเล่มหนึ่ง แล้วก็อภิธรรมวิทยานะป า, าสฟาดเล่มหนึ่งอภิธรรมสังขีติปริยายะป า, าสฟาดเล่มหนึ่งแล้วก็มมธรรมวิทานปรัานะป า, นะ า, าสฟาดอีกเล่มหนึ่งหกเล่ม้วยกันอีกเล่มที่เจ็ดคืออ่าอภิธรรมะมหาวิภาราสารวมสิริรแล้วมีเป็นเจ็ดประการเหมือนกับของลักษณะสภาวธรรมก็มีแตกต่างกันบ้างเหมือนกันบ้าง ยกตัวอย่างเช่นรูปธรรมเขามีส1บรูปของเรามี28่สิกายอภิธรรมสภาวะติวาทนั้นจัดเป็นสิเอ็ดอาจเจตติกรธรรมเรามี52ของเขามีสี่สิบหเดชติ ก, รกรธรรมมีเพียงี่สิบหกไม่เองนอกจายังมีหมวดธรรมพิเศษไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกเรียกว่าจิตตะวิปยุตตะสังขารธารมอันนี้ติในมาลีไม่มีเลยมีเฉพาะในนิการนี้มีจิตตะวิปยุตตะสังขารที่เป็นจิตตะวิปยุตแต่ก็ไม่ใช่รูปธรรม ไม่ใช่ช่จิไม่ใช่เจนตินี่จิหมวดนี่หมดนี้ถ้าคุ้มเคราะห์ในนัติดในบาลีเซระวาสเราตอยู่ในประเทศบรรยัตในประเทศบรรยัตเช่นว่าเรื่องพยัญชนะเรื่องนามเรื่องบรรยัตนี่อยู่ในประเทศที่เป็นจิตวิปยุทธสังขารธรรมต็ลงว่านิจายตระวาสติวาสนั้นน่ะยกโโองตัวเองว่เป็นนิกายอสิธรรมไม่เคยแฉเข้าศึกเลยไงกันละต้องไม่รงนี้ใส่กุญแจถังไว้ในตู้ ฉเแผคอในกายเรื่องคติธรรมอย่างเดียวเป็นการที่ทำแท้เป็นคู่ก่อย่างการดการกับในกายสองทางตุกักในกายสงทางตุกไม่เผยแผ่คติธรรมตัวติคติธรรมเลือกไปเผยแผ่เาะพระตว่าอย่างนั้นสองกายจึงเป็นคำวิงตระกูลจินเป็นล่ากัน้ํามันอยู่กันที่ไหนเป็นคู่ัที่นั้นพวกที่ไหนเปึงกันที่นั่นตาที่ไแนเป็นตู้าวาดกัน่นั่นลูกทีสองกนี้ก็สำหรับสมัอาจารย์สองฝ่ายแต่ตาราทัดงากัน พอตสามยมาแล้วในอินเดียเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็อวาระท่าทั้งสิบแปดเนี่ยอาชาลวาระเนี่ยบางวาระท่าก็มาตรงกับมติของชาวพุทธบางท่านในเมืองไทยปัจจุบันบางวาระถ้าเราพจน์น้น่าว่าท่านไม่ได้ศึกษาแตทาวัตถุแล้วท่านจะไม่รู้เรื่องเลยว่ามาาัตติเหล่านี้ทําไมคนเดียวนียังพูดกันแล้วผู้พูดเองก็ไม่รู้สึกว่าที่ตัวพูดจะไปตรงกับวาระทอันนั้นอันนั้นในสมัยมุคันกว่าของพันตีมาแล้วัเราคอนเซ็ประตรงกันยังไงอย่างม หรือจิตเดิดมบริสุทเนี่ยมตินี้ก็ไม่ใช่มติใหม่พระสุทัศน์กับชาววัตถุดีได้เราตอบพรโหน่ลกลายมหากัรชิกาเขาว่าทำมาแล้วตั้งสอง0ันปีคือมติเรื่องจิตว่างจากกิเลสจิตพระพรฒรมีดังจิตตังทิเคเวดูก่อนสุทธุ์ทั้งหลายธรรมชาติจิตนี้ประพัทษสองเนี่ยคําวรากะพัทสองเนี่ยเขาแปลกันมาบริสุทธิ์จิตเดิมบริสุทธิ์ที่คุณมองเขาว่ามีกิเลสจองมาทีหลังไม่ใช่มติใหม่ที่คนเดียวนี่ทูดไม่ใช่เลยสอันกปีแล้ว แล้วพูเป็นอาจารย์ที่ผู้หนึงอย่างนี้น่ะคือบรดาพระอาจารย์ในกายมาหาสังคคาวาซึ่งเป็นนิกายหึงในจำนวนสินิกายเป็นนิกายใหญ่คือในสังคมุนทุนในครั้งนั้นนะ่ะเทะวว่าแตกออกมาเป็นมาหาสังคคาวาแล้วสองนิกายนี้ก็มีอนุสาขาแยกออกมาอีกรวมหมดเป็นสิวาทเดียกันมติเรื่องจิตว่ามัติเรื่องจิตเดิมโมริตนะุเป็นมติของในกายมาหาสังคคาวาพูดมาแล้วไม่อ า, าจารย์เลยหรืออย่างมติที่ถือว่า อมีตัวตนปรมัตต์มีอัตาป ร, ม, ารมัตต์หนึ่งอย่างนี้ก็เป็นมติของนิกายวัตถีบทกับนิกายสมิตรีวะนิจกายที่มติที่โจมตีอภิธรรมพิโดก็เป็นมติของนิกายเต๋อตรันติกว่ามติที่เชียแต่อภิธรรมอย่างเดียวก็เป็นมติในกายตะวานติวา่าเนี่ทั้งหมดนี้ท่านรู้ได้จากคาถาวัตถุเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าผู้ที่จะเป็นนักศึกษานักปวูวัตถีนักอภิปลายธรรมะในพุทธศ า, าสนานั้น ถ้าไม่ศึกษาคมภีกระถาวัตถุแล้วจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรแค่นานิการเทระวัตเป็นอย่างไรและมติที่ตรงกันข้ามกับเทรวาตเป็นอย่างไรที่ถูกควรจะเป็นอย่างไรที่ผิดควรจะเป็นอย่างไรท่านจึงเขียนกรถาวัตถุปการนานขึ้นขู <พ LAUGHTER S 2> มือศึกษาคือทําไปศึกษาในกระถาวาัตถุท่านกนไ็ได้บอกว่ามติอย่างนี้เป็นของนิกายนี้นะมติอย่างโนเป็นของนิกายโ น, นนะไม่ได้พูดไปพูดในอัจฉริยต้องอ่านคมภีร์ปรมัตถีปณีอัจฉริยะกรถาวัตถุประกอบ ถึงท่านพุทธโคศราาัาจานชาวอินเดียแต่งเมื่อพศ908คำว่าสัวาทีปรวาทีนะสัจวาทีในคาถาวัตถุน้าหมายถึงมติของอาจารย์ในเทรวาสเปรวาทีในคำพีษคาถาวัตถุหน้าไม้ถึงมติของอาจารย์ฝ่ายกายตรงกันข้าซึ่งแก่ว่าอย่างนี้เราก็เข้าใจคท่านต้องท่าจะมาเห็นคุณก็เห็นคุณกันตรงนี้แหละคือว่าพระอาจกถาจารย์นะที่เราไปโจมตีท่านว่าเอ๊ะอะไรก็ออาวาเป็นมติเพียงอาจกถาถามาเขียนารี อากะถาจารแม่ท่านจะพลาดว่าก็อาจจะพลาดได้ด้วยประติศาตร์เพราะเอเท็จริงเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลอาจจะเขียนไปตามรูปของนิยายพื้นบ้านพื้นเมืองในครั้งตอนนั้นเขียนในรูปของการอิทธิปาฏิหารตามความนิยมคนในครั้งตอนั้นแต่ในเรื่องวิกกยธรรมะแล้วพระอาตกะถาจารย์ไม่เคยพลาดพระอาตกะถาจารย์รักษามาติของโูราณอาจารย์อย่างคงเส้นคงวาไม่เคยสู่รู้นอกครูไม่เคยไปเอาอัตโนมติยัดเข้าไปโดยอ้าวเป็นพุทธพจน์ ถ้าสัจธาจารย์ทําไม่ทำต้งกลัวมาถ้าอธิบายตามมติของคณะโบราณอาจารย์ในสายของเทาาโลวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะโบราณอาจารย์ที่เป็นคณะมหาวิหารไม่เทโลวะเราเนี่ยังแบ่งเป็นหลายนิกายนะเฉพาะในลังกาเองเนี่ยแบ่งเป็นตั้งสามสี่นิกายนิกายมหาวิหารนิกายขัตติยคีรีวิหารนิกายเทสวันวิหารสามนิกายใหญ่ท่านสามนิกายใหญ่มาแบ่งตำรา้านกันอธิบายธรรมะก็ไม่ตรงกันมีปัญหาเรื่องอภิธรรมก็ไม่ตรงกัน บกลงว่าเทรวาสในพม่ามเมื่ขมรไทยลาวลังกาอินเดียทุกวันนี้น่ะเป็นนิกายเทรวาสสาขาวัดมหาวิหารที่กรุงอนุราชรระโคศาจารย์ท่านแต่งหนังสือแต่งตำราท่านต้องบอกในตำนานมรกฐาหรือในบทนำท่านเสมอบอกว่าท่านแต่งขยายความพุทธพจน์หรือแต่งรำกถาเรื่องนี้ตามธรรมติของบรรดาพระเถระที่เป็นธงชัยแห่งวัดมหาวิหารเป็นใหญ่แพร่หลายออกมาในประเทศไทยในเขมรในลาวในพม่า ในภายหลังนะไม่ใช่เทระวัตคณะอภัยคีรีไม่ใช่เทระวัตคณะเฉยตะวันไม่ใช่ยังมีข้อแตกต่างกันอีกเยอะซึ่งประมวลจําเลยรู้จักจบเราจะรู้ว่าแต่ต่างไปเพียงไหนล้วต้องเป็นคนนักคนคว้าต้องอ่านหูตาต้องกว้างขวางไม่ใช่เพาะอ่านหนังสือเพียงอภิธรรมตัณหาเล่มเดียวพอไม่ใช่แค่นั้นเลยพอหรอกหนึ่งอภิธรรมอัตัณหานักเป็นมัติของอาจารย์คนเดียวอรุณอรุชาอาจารย์นั่นเองมัติพระอาจารย์ที่จะ่อภิธรรมท่านอื่นที่ขัดแย้งกับท่านอรุณอรุชาอาจารย์มีเยอะแยะไป เป็นติของท่านธรรมปาลาจารี่แต่งคำภีร์สัจจังเขษะ เ, เรื่องนี้หลวงพ่อขันมากหน้ากหน้ามาวิจัยหน้ามาสังสอนนะปัจจังเขษว่าเป็นเกศพิมพ์แล้วกเชลอพระชนมายุสิบพรรษากราชองค์ปีหลวงรับไปด้วว่าปัจจังเขษะท่านธรรมปาลาจารย์ีผู้แต่งในนั้นจะสภาวธรรมตรงนี้บางตอนตรงกันข้ามกับท่านอรุ ษ, ษาจารย์ตรงกันข้ามกันนี่เป็นมติของพอระอาจารย์นี่เฉพาะในกาลชจววัตสังกัดคณะมหาวิหารอย่างเป็นอย่างนั้นจะป่วยกล่าวไปยังกับ นิกายต่างๆถึงสิบแปวาทะสิบแปดนิกายซึ่งบอกว่าเป็นนิกายไม่รว้แม้แต่ค ก, กับพวกทีรวาลวละเว่าอย่างนั้นคนละพวกคนละหมู่ไปเลยทีเดียวจะแตกต่างกั น, ปนไปนัยเอาคาถาเราจะรู้เรื่องรานี้ได้จากไหนรู้จากคาถาวกก่าถูกอาตากถาแล้ไม่รู้กักที่อื่นหรอกรต้องจากที่นี่คาถามาถูกประมวลวาทะของคณะต่างนิกายรวมหมดสองะสะกว่าห้าตองศิกย์ถือว่าอัธิอาราโตอัญญานังติ อธิอราชตุังขาติอธิอราโตุปริกิ ต, ร, ตริยติบริษัาอันมาพูดพระอรหันยังมีอันญาณได้ไหมข้อหนึ่งพระอรหันยังมีกังขาได้ไหมข้อหนึ่งพระอรหันจะรู้ว่าเด็เป็นอรหันต์นะต้องอาศัยผู้อื่นพยากรณ์ใช่หรือไม่ใช่ข้อหนึ่งเป็นกระทู้วาทะสามข้อกระทู้วาทะสามข้อนี้บรรดาอิสุไม่มีกายมหาสังขิกะ และอนุนิกยสังกัดนิกายมหาสังถิกะที่เรียกในคมภีกระถาวัตถุว่าคณะนิกรคือธกตาคณะนิการอันธะเนี่ยมีอยู่5้าิกาิกรเดียวกันมีนิกายน้อยคือว่านิการปกครอเกษริยะก็มีนิกายราชธิริยะก็มีนิการติดทัติกาก็มีนิกายพวกนี้ดีว่ารวมหมดด้วยว่านิกายอันตะเพราะเป็นนิกยที่ตั้งขึ้นในอินเดียภาคใต้ตั้งในแคว้นอันธาราช แควโอริสาในปัจจุบันนี้พริกษุในแควนนี้รวมหมดไป้ตั่งเป็นกลุ่มนิกายด้วยว่านิกายพันส ก, กัดมีวาระเหมือนกับแม่นิกายคือนิกายมหาสังฆาที่ถือว่าพระอรหันยังมีกลางขาดบพระอรหันยังมีอัญญาได้ท่ามบรรลุมรรคผลต้องอาศัยผู้อื่นพยากรณ์ให้สามอันเดียวกันนี่เป็นพระสิที่เราทัศนนะของพระอรหันย์ทำไมถึงว่าอย่างนั้น ถ้าพิจารณาตามประวัติที่กล่าวว่าพระอรหันยังมีอัญญาคือว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่พระอรหันไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะเปรียบฐานะพระอรหันกับฐานะสัญญยูพุทธเจ้าแล้วพระอรหันก็ไม่สามารถรู้ในสิ่งซึ่งทัตพุทธเจ้ า, าจะรู้ได้เพราะเหตุนี้แหละบรรดาพิสุในนกายมาหาตัณฑะจึงถือว่าพระอรหันยังมีบางสิ่งเป็นอัญญาคือยังไม่รู้วิสัยของสิ่งเป็นพุทธวิสยัย การที่าาฟาหันฝาวกไม่รู้พุทธวิสัยนั้นอาจารย์ในมีไายมหาพุทธิกาถือว่าเป็นอัญญาเป็นอัญญาเหมือนกันอันนี้นี่เป็นข้อหนึ่งนะฟาหันยังมีอัญญาได้เพราะฟาหันไม่รู้พุทธวิสัยนี่ข้อหนึ่งละข้อสองฟาหันยังอาจจะมีกังขาได้คือมีความสงสัยกังขากับวิจิตริชานะ่ะโดยในยะก็อันเดียวกันแต่เพราะว่าอธิบายบอกว่า ก็ทรมดาวิวิจิจรฉานั้นล่ะละได้ตั้งแต่ทศนามกแล้ววิชัยหรือตั้งแต่โู่ดาปฏิมาเกิดตึ้งเดียกันว่าทศนมกย่อตรงเสียสิ่งวิจิตรฉาสิ่งละัดประมาณได้ไม่ใช่หรือปัจจัย่สิกราได้ทัญญาณสามอันเนี่ยพระสดาปฏิมาักงแตเป็ น, ส, น, นมสมุเชษทามยังกลาวพาลหันยังมีวิจิตรฉาที่กังขาเล่าอาจารย์ในกายมหาทัิงกิกลาวแถลงว่าทั้งนี้เพราะพระอาราณยังมีปฏิรูปรวิสิตรฉา อะไรคือปฏิรูปวิจิตรศิลปคือความสงสัยในเรื่องชื่อเสียงเรียงนามในเรื่องสถานที่ที่ท่านไม่เคยไปไม่เคยอยู่และผู้ที่จะเป็นอริยะบุคคลที่มีความสงสัยในเรื่องปฏิรูปวิจิตรศิลป์นั้นจะต้องเป็นอริยะบุคคลที่เป็นปัญญาวิมุตติถ้มามีเจตวิมุตติแล้วท่านก็มีอภิญญาไม่จำเป็นจะต้องไปถามถายใครก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอราหันต์กอเป็นชาวอินเดียเดินทางมาเมืองไทย ท่านเป็นปัญญาวิมุตติบุคคลท่านมาไม่ถูกว่าอภิธรรมมูลนิธิตั้งอยู่ที่ไหนท่านก็ต้องถามเขาเสิว่ า, าไปคนณังจะไปอภิธรรมมูลนิธิน่ะไปขึ้นรถบ่ายไหนทนีมม้พระอรหันยังมีได้ไม่ใช่ความสางสัยอย่างนี้ไม่เฉดกิเลสอาสวะเป็นความสางสัยในต้นไม้ที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าไอ้ไต้นนี้ต้นอะไรนะเขาเรียกว่าต้นอะไรย่งนี้สงสัยได้ทางไปว่าโทไปทางไหนนะคนคนนี้คืออะไรนะความสางส์นี่แหละท่านเรียกว่ามัติรูปมิชิกิ้ า, าเป็นอราหันต์แล้วยังมิได้ ไม่เป็นมาติกเตัวที่บอกว่ากา ร, ราบรรลุมักคผลนะ่าจะต้องอาศัยผู้อื่นพยากรณ์ให้อธิระหโวปริอิตาเรยาติกจะต้องอาศัยผู้อื่นชักนําอาศัยผู้อื่นพยากรณ์อันนี้กระดูกแปลกตามเนื้อเนื้อเรื่องเล่เากันมาบอกว่าผู้เป็นปุณณ์กายชื่อว่าท่านเทวะท่านพระมหาเทวะนี่จป็นคณาจารย์ใหญ่ท่านอยากจะมีชื่อมีเสียงนะ ถ้าปฏิบัติเป็นัมมตันแล้วเป็นอรียะบุคลคลการเป็นทิวแถวมา เ, เร็วดีทันใจดีแท้เออข่าพระพุทธสิก็สงสัยก็ธรรมดาเราจะเป็นอาเรียบบุคคลได้มักในผลจะต้องมีผู้เราต้องรู้ด้วยตัวเองไม่ผสูดไม่น้อยก็บอกว่ารู้เด็กกระตะกกรณิโยกิจี่จะควรทํำก็เดี๋เสร็จสิ้นแล้วอ่าอสวรรคที่จะทําให้กำเริบอีกก็มีนี่แล้วพลาสมบูรแล้วพวกนี้เป็นพวกสุดรู้ตัวเองเท่านั้น ทำใหพวกเราเด่มากผลเราถึงไม่รู้ตองร้อยอาจารย์รับรองให้นะว่าเราเป็นชั้นนั้นชั้นนี้อาจารย์อาจารย์บอกเออพวกเองไม่รู้อะไรธรรมตมาัดผลพวกเองจะได้นะ่ะเพราะอาศัยอาจารย์บอกใจะรู้แวนะาตเองเองก็ไม่รู้เองได้ชั้นไหนแต่ว่าจะพวกเองเลยแม่พระสอนที่บุษมุกคราคนะก็ยังาา ไ, ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นอรหันต์ตองร้พระพุทธองค์ญานาคไงพอคุณภาพาภิรจะรู้ก็เชื่อตั้งแต่นั้นาที่คิดว่าอักษรธรโตาริวารยาารวิตรยาท ล้วก็รับสมัางว่าอามันตาแล้วทุกแต่ว่านิกายเหราว่าคัดค้านิกายเหราว่าคัดค้านอัิฉริโะภอัญญานังผ้าหัน่อ่มีอัญญาความที่ผ้าหันไม่สามารตามกำหนดทุกวีัยได้นั้นไม่ถือว่าเป็นอัญญาอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องตับแสงที่เรียกจะหลอกบัญญัติน่ะฝ่ายหนึ่งเห็นว่าอาการที่ไม่รู้ทุกวีัยเป็นอัญญาแต่เห็ว่าเราเรืออัญญาต้องเรื่องเกี่ยวกับรูกิดิอริยัจ จะไม่ใช่าจิตอื่นมาเป็นอัญญาไม่ได้เพราะยานักษณะในที่นี้นะี่หมายถึงว่าจะตุอริยะปัจจยานไม่ใช่หมายถึงอย่างอื่นอ า, า, อ า, า, าวไอ้พระอรหันต์ฝาโง่ไม่สามารถตามสนุกทัศวีสัยนั้นไม่จับเป็นอัญญาไป อ, อย่างนั้นนี่ก็เป็นการเสียงกันลื่นส่องแสงอันรวมกันไปได้ในข้อที่ว่าพระอรหนต์ยังมีการขาได้ข้อนี้เทรวาตรยอมรับก็ยอมรับสิยอมรับว่าการขาในที่นี้เป็นตรีดูประการขาถูกเราไปเถียงเขาหรอกข้อนี้ไปกันได้ ปฏิรูปะทางขาพราะอราหันต์ประเภทปัญญาวิมุตต์นั้นยังจะมีได้แต่ว่าอราหันต์ประเภทเจโตวิมุตต์ที่ได้ชลถิญญาแล้วท่านก็ข้ามพ้นไปนี่ต้รับอันสุดท้ายนีน้เราไม่ยอมนักผลจะเกิดขึ้นเพราอาศัยคนอื่นมารับรองคุณภาพให้ไม่ถูกต้องจะให้ท่านอาจารย์ที่ปัชนามาออกประกันยาบาดให้ไม่ถูกอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ยอมรับเห็นรัชวัลยไม่ยอมรับกระทำวัตถุไม่ยอมรับไปอ่านดูนักผลเกิดขึ้นต้องรู้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ต้องให้อาจารย์พยากร น, น้อยรับรองคุณภาพว่าคนคนนี้ได้โง่ดาแล้วผู้คนโน้นเปนสกิทาคาแลตัวเองไม่รู้ราาตัว เ, เองเโงดาเปนสกิทาคาตะเก่งบุงเองข้อนี้ไม่ละในใ น, ในคานีไม่ยอมรับกระว่าถูกถ้าจะยอมก็เป็นเรื่องทอื่นไม่ใช่นิกายเสละ ว, ว่าเป็นนิกายพวกอันธกาเนกายไปว่าอย่างนั้นนี่เป็นสา ม, มาติเกี่ยวกับเรื่องว่าอนีิกายมหาปัจิกากับคณะนิกายที่ดีกว่าคณะอันธกาข้อนี้มาในกายประวัิว่า นิการสรวาสีวาน่ะเป็นนิกายอภิธรรมบอกบอกี่หอบตัวเองว่าันเป็นนิกายอภิธรรมเฮ้ยถ่ฉเฉพาะอภิธรรมไม่เฮ้ยถ่ายาพออระสูตรเรื่องพระสูตรเป็นเรื่องลอยเรื่องย่อยพอภิธรรมสำคัญกว่าพี่ดกอื่นทั้งหมดมนิการนี้นี่ว่านิการอภิธรรมหรือนิการสรวาสีวาน่าผู้เป็นอาจารย์เจ้าลทัทธิในนิกายนี้นะ่ะชื่อว่าพระกัจจายนะแต่ไม่ใช่พระมหากาจัจจายนะพระพเจ้ า, านะไม่้าที่สามถึงที่สี่เราลาสมครจอาส่มหาราชเป็นชาวแท่นคันธาราช ได้แต่งตาราอภิธรรมไว้เยกโดยเฉพาะอย่างที่งในแต่ขัตติกาเกี่ยวกับอภิธรรมในนิกายนี้ไว้มากจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังทีเดียวเรื่องวัตันกัจจายนะ<ม>ในแคว้นจีนและพูดในอินเดียภาคเหนืออามาติเกี่ยวกัระฟ้าในนิกายนี้ก็ขัดแย้งกับนิกายเถรวาทคือขัดแย้งในคำภีกระถาวัตถุนิกายนี้บอกว่าพระอารหันต์มีสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสมัยยาวิมุตติอรหันต์ประเภทหนึ่งเรียกว่าสมัยยาวิมุตติอรหรัรหนต์ ประเภทเกันประเภทประเภทที่เป็นสมัยยีวิมุตตาอรหันต์นั้นน่ะมันลุมรรคผลแล้วเสื่อมจากมรรคผลได้แต่เสื่อมอย่างมากก็ขั้นโสดาไม่ต่ํากว่าขั้นโสดาและ ว, ว่าไม่หลุดต่ําลงไปกว่าเกศโสดาบันอาจจะหลุดมากแค่นธนาชาตขั้นสกิทาชาขั้นโสดาเป็นอย่างตา่ําไม่ตาม่านี่ไม่กว่านั้นแล้วคือไม่เสื่อมกลับเป็นภูมุชนพูด ง, ง่ายๆอาหารหันต์ปะเภทนี้เดียว่าสมัยยีวิมุตต์อาหารหันต์ คือหลุดพ้นเป็นคราวคราวหลุดพ้นเป็นสมัยสมัยพวกอรหันต์อีกพวกหนึ่งเรียกว่าสมัยยมุติอรหันต์บุคคลสมัยยมูธอรหันต์บุคคลน่ะคือพระอรหรันต์สิไม่ต้องอาศัยการเวลาแล้วหลุดพ้นไม่ต้องอรหารตของพวกนี้แตกต่างกันอย่างไรสมัยยมติอรหันต์บุคคลนั่น่ะต้องอาศัยโภชนยะสปายะอาหารการขบฉันน่ะเหมาะสมกับอัตภาพถูกรสถูกปาก ต้องอาศัยเสนานะปัปปายะคืออาศัสถานที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายแก่อารมณ์ต้องอาศัยนิมิตะสัปปายะอาศัยนิมิตอารมณ์กรรมฐานในถูกต้องกัจจเรตต้องอาศัยกัลยาณมิตรตาต้องเจตับเพื่อนที่ถูงอกถูกใจไม่ขัดแย้งกันต้องอาศัยโอตุสัปปายะดินฝ้าอากาศสิ่งแวดล้อมอันน่วยไม่ร้อนจักไม่หนาวจักคนที่ร้อนไปอยู่เมืองหนาวะ คนที่หนานไปอยู่เมืร้อยอะไรต่างๆพวกนี้ต้องปรับตัวกับสิงบ่งแวดล้อมลึกลินฟ้าอากาศเหมาะกับตัวเองเป็นเช่นนี้อาศัยเหตุอาศัปยปัจจัยเหล่านี้แล้วมาช่วยจึงทําให้คนๆนั้นบรรลุไปทาอาหารอย่างนี้เป็นสมัยยุคผุกคนบรรลกอาหารของพระอริยะประเทศนี้เพราะอาศัย อ, อาหารเป็นที่ถูกใจอาศัยเสนาสนะเป็นที่ถูกใจอาศัยเพื่อนเป็นที่ถูกใจอาศัยอารมณ์กรรมฐานเป็นที่ถูกใจ <Yeah. S 1> อาศัยโอตุเป็นที่ถูกใจอาศัยสิ่งแวดล้อมกําลังกายของตัวแข็งแรงเป็นที่ถูกใจอย่างนี้จริงได้มักเป็นผลแล้วถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดการขัดแย้งเข้ากระการใดประการหนึ่งอรหันอย่างนี้ก็เสื่อมเสื่อมจากมักผนที่ตัวได้ยกตังเช่นคนขี่ร้อนสะเอิญมาอยู่ในทะเลทรายอย่างเนี้ความร้อนของกอตุนี่ทําให้มักผนที่ตัวได้เสื่อมไปเสื่อมทันทีนะคนที่หนาวมาอยู่เอสพีโมงี่้นักผนอี่ได้ต่เสื่อ ม, นะ อ, mo, ม, อ, มอ่ะ หรือคนที่ว่าเสนอาสะนะไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่จอยแฉกคุกครีด้วยเสียงมันเป็นเี่งหนามต่อการปฏิบัติอย่างนี้นักผลที่ได้ก็เสื่อมนี่แหละเป็นสมัยในยุคบุคคลอย่างนี้เสื่อมได้แต่เสื่อมยังต่ามไม่ต่ากว่าเกรดโซดาโซดาเป็นเกรดต่ำที่สุดแล้วไม่ตกไปในดูปโโไปชนหลอกมันจะหลอกแล้วพวกนี้เสื่อมเป็นพักๆกระดา้เป็นพักๆเวลาจะได้ก็ได้อย่างรวดเร็วกันยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ทะเลทรายเสื่อมจากอาลักษัเพราะกลับจากทะเลทรายกลับเมืองไทยก็ได้อาลักษัใหม่อย่างนี้ หรืออยู่ไปเอสกิโมสือมจากอาหารพอกลับเมืองไทยได้อาหารใหม่อย่างนี้เออหรืออาหารเป็นที่ขบขันสบายถูกๆๆถูกถูกปากถูกกลิ้นได้อาหารเพราะไ่้อาหารมีนเบาที่มัถูกปากถูกกลิ้นสื่มจากอาหารอย่างนี้เป็นต้นว่าให้ก็ดีเหมือนันนะข้าว ท, ทีต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยได้เป็นพักๆสื่อเป็นพักๆเออนี่ด้วยว่าสมัยยุ ว, วิมุตติอรหันต์อีกหนึ่งเรียกว่าอะสมัยใน ว, วิมุตติอหรหันต์ประเทศนี้ไม่ตกอาสายการเวลาอาศัยสมัยไม่ต้อง ไม่ต้องอาศัย ส, สิ่งวดล้อมไม่ต้องอาศัยอุปสรรปัจเเตานาตระศัพยาปูชนียาศัยญากรรยาณมิจฉาอรรมณาศัพยญาไม่ต้องเลยก็ได้บรรลุเองด้วยอาศัยบุญบา ร, รมีที่ทำมาอาศัยการปฏิบัติอรหันตประเทนี้ไม่เสื่อมเลยเป็นขบุ ป, ปะไม่มีการหวั่นไหวไม่ ต, ตมกต่ำอีกแล้วนิการสราศิวาอธิบายคาว่าสมัยวิมุตกับอัมัยยะวิมุตอ ย, ย่า ง, งนี้ตอนนี้มติในเ็นวาจะว่าอย่างไร เมื่อติดในเทระาตาม ท, ที่ปรากฏในคำพีคาถาวัตถุท่านแย้งไว้แย้งบอกว่าอาจารณีกายเระวาปฏิวัตินั้นเข้าใจคําว่าสมัยยมวุติบุคคลผิดพลาดคำว่าสมัยยมวุฒิบุคคลน่ะแม้จะมีพุทธพจนปรากฏอยในบาลีอังคุตระนิกายก็จริงแต่พระองค์ไม่ได้หมายถึงพาาระอรหันตบุคคลเลยอาจหมายถึงพิกจุอริยบุคคลชั้นต่ํากว่านี้ชั้นต่ำกว่านี้คือหมายถึง พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปถึงพระอนาคามีอาสมัยยมุติบุคคลม่ใช่อรหรันแล้วที่ว่าเสื่อมก็ไม่ใช่เสือเส่อมจากามัดผลหาเสื่อมจัดฌานสมาบัตต่างหากเข้าแล้วการเฉื่อมเฉื่อมจากฌานสมาบัติของพระอริยะบุคคลเบื้องต่ำสามชั้นนั้นน่ะต้องยกเว้นพระอนาคามีอีกชั้นหนึ่งไม่พูดถึงพระเหตุใด เพราะว่าพระนาคามีนั่นศีระปริกุณนางสมาธิปริกุณนางเป็นผู้ทำพร้อมแล้วซึ่งศีและสมาธิไม่มีการเสื่อมจากฌานสมาบัติอีกแล้วพระอรหันต์นั้นถึงเข้าเรศีระปริกุณนางสมาธิปริกุณนางปัญญาปริกุณนางไตรสิกขาศึกษาจบโดยสมบูรณ์แล้วมีแต่พระโสดาพระสกิทาคาเท่านั้นที่ทําไม่ถึงพร้อมแล้วซึ่งศีระปริกุณนางแต่สมาธิปริกุณนางกับปัญญาปริกุณนางนั้นไม่ถึง ได้แต่พอประมาณเพราะเหตุนี้แหลสมัยยังมุคบุคคลจึงเล็งเอาเฉพาะโสดาตตกตาคาบุคคลแล้วที่เสื่อมนั้นก็ไม่ได้เสื่อมจากนักโหริทันได้ารเสื่อมจากทานสมาบัติมูลเหตุที่เสื่อมจากทานสมาบัตินั้นก็ไม่ใชเสื่อมเพราะความกำเริบแห่งทุลีคือกิเลสแต่เสื่อมตตเพราะวัฏเพรโดวัฏเพรศคือความวิบัติแห่งวัฏจักรความวิบัติแห่งวัฏจเป็นอย่างไร ในอาศักดา์บุคลากรบัตตอนแก้คำว่าสมัยยุยุธบุคคลท่านแก้ว่ายกตัวอย่างพระโสดาบันก่อตื่นเช้าเข้าเห็นเด็กมาเล่นกองายในวัดเตือนกาดหมดท่านก็ตั้งใจบอกว่าวันนี้บิณฑบาดกลับมาแล้วแต่เกิดกวาดตายพวกนี้ให้มันเรียบร้อยสะอาดขอบิณฑบาตขอบิณฑบาดกลับมาแล้วลืมไปลืมจิวิทที่ท่านตั้งใยกรรม ทันก็ไปเข้าทานเข้าสมาบัติเข้าเท่าไรเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ผงสัยเป็นเลยแกทำไมวันนี้ประหลาดทุกวันพอเราจะเข้าสมาบัติก็เข้าทันทีวันนี้เพราะเหตุใดหนาเราจึงเข้าทานสมาบัติที่เราเคยเข้าเข้าไม่ได้ความตั้งขาอันนี้อยู่ในใจกระทั่งนึกออกว่าอ๋อเราตั้งใจว่าจะกวาดวัดแล้วลืมกวาดไปพอคิดออกว่าไม่กวาดกวาดวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเข้าทานเข้าได้สบายเลย อันนี้ท่านว่าวิบัตรรบิตเพราวัตเพทไม่ใช่วิบัติท่อนวอนกรกมเลิกไม่ใช่สาเหตุนั้นสมัยมุดยุคลตามความหมายในกายเทระาวาัตจึงหมายถึงพระโสดาบัติทากาเท่านั้นหรอกไม่ได้ดหมายถึงพระอรหันเลยแล้วพระโสดาับัติทาคานั้นที่เสื่อมก็ไม่ใช่เสื่อมจากมักจากผลหาเสื่อมจากทานไม่ได้เสื่อมจากมักผลมักผลได้กันขั้งนี้ไม่มีเสื่อมนี่ อันนี้ก็เป็นความแตกต่างไม่เรื่องมติเกี่ยวกับพระอริยะบุคคลในระหว่างนิกายมหามิตริกะกับนิกายเรรวาสีวาที่ตรงกันข้ามกับนิกายเทระวัตดังปรากฏข้อความพิจดารในคำพิจารณาวัตถุที่นํามากล่าวแต่โดยยอเฉพาะในประเด็นนี้ขอจบที่หต่อทีเสี่อุณภูมิแหละเดี๋ยวขึ้นลอดอีกทีนักปิเศตั้สามกว่าศูนย์หนึ่งใบก็มีในมตินิกายเรรวาสีวะเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าในมติเทระวัตเราคัดค้านมันมติอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดตีความหมายผิดนี่ ความผิดพุกง่ายเหมือนมันสุดหมายสุดฟรา ม, มาเล่นเดียวกันทนายโจทตีความไปอย่างทนายจำเลยตีความไปอย่างหนึ่งแล้วมาช็อะกันในศาล น, นี่แต่ข้อนี้ว่าอยากะก็เป็นมติที่บรรดาเจ้ารัฐที่ในครั้งกัน้นนั้นเขาขิ้นแพ่งกันด้วยอาวุธคือป่ากันมาแล้วทั้งที่เจ้าไม่ใช่ว่ า, มาไม่ตอบทงดูการเวลาดูบุคคลตอบโลกนี้ไม่เพียงแม่ โลลุกขีติโลโก้ทำมาทำมาฆ่าได้ซึ่งเสริมได้ชิ้หายไปได้ทรมาฆ่าได้ชื่อว่าโลกนี่พระพุทธจาแบ่งแกงไว้แล้วลุทขีติโลโก้ทำมาฆ่าที่ย่อยยับไปได้รำมาฆ่าได้ชื่อว่าโลกนี่แสดงความไม่เพียงโลกปรากฏแล้วแต่เหตุใดในบุคคลบางคนพระพุทธเจ้าจึงไม่ตอบต้องดูฐานะเขาคนบางคนตั้งปัญหาแบบที่เรียกว่าชวนทะเลาะตัวเองน่ะมีคิดถึกอยู่อย่างหนึ่งจะมาคอยจับคำพูดพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ทยากรไปในแง่นี้ก็จะได้อ้างว่า พร อ, องค์สนับสนุนแม่มาวาทพระอังสัวยกตัวอย่างเช่นว่าวัชชโคดป ร, ริพาชกปริาพาชกคนหนึ่งที่วัชชโคตเลี้ยงเลี้ยงตามพระโลกเที้ยงอัตตาเทียงมาเป้าพุทธเจาแล้วก็ตั้งปัญหาถามว่าถ้าแต่พระโคโดมเอาเที่ยงหรืออัตตาเทียงหรืออัตตาดวงนี้กับอัตตาดวงหน้าอันเดียวกันหรือถามนี้พุทธเจ้าบอกแม้อย่างนั้นเราไม่ห็ยากรเนเขาถามครบสิบข้อแล้วก็ไม่พอใจเพราะว่าเอผิดหวัง มหาพระโคดมก็ตั้งใจว่าพระองค์พระโคดมจะพยากรข้อใดข้อหนึ่งแต่ทรงปฏิเสธหมดและจะให้หมายความว่าอย่างไรพระองค์ก็บอกว่ารัชยจะโคดควรแล้วที่ท่านจะสงสัยควรแล้วที่ท่านจะตังขาเพราะว่าตัวท่านเองน่ยเป็นฝ่ายอาเทียงชาติท้าพยากรว่าโรกหน้ามีท่านก็จะนึกว่าอ๋อถ้าโลคหน้ามีอัตราตัวนี้กัอัตราตัวหน้าตันเดียวกันงั้นพระองค์ก็ว่าถ้าสมท้องกับข้าพเจ้า พระองค์ก็ไปสัตวสัตว์วารีแม่ข้าพเจ้ า, าก็เป็นตสัตววาทีไปเดียกันได้ก็จะเอามาอ้างจรงอย่างนั้นถ้าสถาคตทยากรว่าโลกหน้าไม่มีอาตาอันหน้าก็ไม่มีอย่างนั้นท้ท่านก็จะถือเป็นข้อช่วงจับว่าเราเป็นอุเฉศวารีกล่าวตรงนันข้ามกับท่านดูก่อนวัชะาสถาคตสแสดงทำเป็นข้ามกลางว่าเพราะอวิชามีแล ท, ทั้งค่แสดงความเงื่อนสายคือเข้าใจนี่เราจะเห็นได้แล้วว่า ปกติแล้วพระองค์ดูคุณผู้ถามว่าผู้ถามเนี่ยถือทิชชอะไรหากเขาถือทิชิอย่างที่ว่ามาอันใดอนหนึ่งคืออุดเคพระฤา ษ, ษีตาแล้วพระองค์จะแสดงไม่ต่อปัญหาอัพยายกตาอันี้เลยแต่จะแสดงวฏิเป็รุ้ประบาทให้เห็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยคล้องจองกันเป็นการตอบปัญหาโดย อ, อ่อนึือเขาเข้าใจได้ในที่สุดแต่ในกรณีที่คนตั้งปัญหาแสวงหาความรู้จริงๆ ด้วยความสงสายในโลกโลกหนาโลกนี้จริงๆไม่ใช่ในศตวรรวากีหรือเชตราวาีมา ก, ก่อนแล้วพร ะ, ะองค์แสดงมันทั้งไม่ต้องถามสิ่งจกแสดงเลยอย่างเช่นพระกะพระอ น, นน์นี้นดูก่อนอ น, น์อุบาสิกาบ้านนั้นอุบาสิกบ้านนั้นทาบุญอย่างนี้แล้วงกายแต่ทาลายขาแย่เดืปกติพบชั้นนั้นชั้นนั้นนี่แสดงโลกหนามีแล้ว เ, ออเพราะฉะนั้นปัญหาตอนี้มีแต่พุทธเจ้าแพยากรครับพยาก ร, ากรแต่ต้องดูบุคคลดูฐานะดูการเวลาพยากรณ์ไม่ไม่ใช่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่พยากร ถ้าพยากรณ์แล้วเป็นเห็นให้เขาตือนเสริมวิชาที่ผิดเข้ามากขึ้นพระองค์พยากรณ์แต่ถ้าพยากรณ์แล้วเป็นเห็นให้เขาเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเขาถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นจริงๆไม่ได้ถามแบบที่ว่าเหาเหตุทะเลาะหรือถามแบบที่จะเรียกเลี่ยนหาผู้พ้ อ, พอ น, นี้ก็องค์พยากรณ์